เียังไงท่านัญญาฟังเทศวันนี้ชัดไหมเข้าจะชัดดีแล้วเทศเร็วอยู่น ะ, ะนี่มันช่ำชองภาษาไทยแล้วแหละจะเทศไปไหนมันก็รู้หมดไอเดี๋ยวนี้นะมาอยู่ตั้ง 30-40 ปีแล้ววะสักชั่วโมงสี่สิบเนี่ยโอ้ไม่างานนเราเนี่ว่าจะางานน้อยจะชั่วโมงด้วยสิบสามสิบเนียแบบ้เนี่ยเหนยะความเนื่อย อปไปยังไงยุ qué qué <pues> acá, ่งยุ่งอยุดอย่าไรกันพังคำาันไม่มีคำนองอย่างคู่ไปเร่ตลอดไปคือเครื่องมือคือร่างกายมันอ่อนมันอย่างนี้ใการเท่าไรอย่างสองทุ่มไปแล้วฮะสองทุ่มสามสิบนาทีสองทุ่มสามสิบห้านาท อันที่สามไม่ไปโยกเบี่ง เ, เที่ยวแล้วใช่เปล่าเขาเอาไปเช่ที่ผมมาชากรรพันธ์อันนี้กลุ่มใหญ่มากนะเขาคือผมจะลงไปเถิดหน่วยงานต่างๆรวมกันมาฟังเกิดคือก็ถ้าถังตรงนี้ใชยไปอ่อนตลอดไปไนะ อยางจัว่าต่อไปจะเช่มใหญ่ะออนอย่างนี้อ่เช่นอย่้ว่าจะตจองชั่วโมงสามสิบสี่สิบนาทีสามสิบสี่สิบนาทีฟังเี้ยชั่วโมงสีคือฟังมมันคืออย่างงี้งแต่ก่อนไมปแต่อยังมาประชุมเช่นนี้อย่างน้อยรู้น่าจะก่าชั่วโมงครึ้งเช่นงี้ยหรือมากกว่านั้นอย่างนี้เห็นไหมคม่บไมันจะเรื่อะ แก็อะไรๆที่ออยู่ในครัวซึ่งควรเกี่ยวกับออยู่ในอันนี้ที่เกี่ยวก็ต้องกลัวให้พังชิบนะพังอย่งเราที่อยู่เกี่ยวข้องกับชะลาเกี่ยวข้องกับนี่อะไรควรจะส่งแยกไปเขาบ้างให้แยกไปมือคุ้มไปบอกเสมอข้าวมาบอกเขานะเขามาเอาแล้วกับเทียงไข้าเอามาให้เขาให้เขา เขาเยียวยงกลมท้อไหนจิตเชียงเชียงยามีมากมายขไนไปให้เขาเยอะแต่เข า, าเยาเยีนยังกลมภาวนาตอนนี้เขาอุตส่าห์มาจากบ้านจากเรืองอะไรก็มีคุณค่ า, าสั่งั้นนโนนนค้งยาโลกเเนี้เขายัง่ยอุตส่าห์พยายามมาพึ่งบาศัยวัดบาคูวาจังเมื่อเขายะมานั้นก็ควรจะทําความเอื้อเฟือ้อให้ความสะดวกแก่เขา สิ่งใดชื่อเมียส่งไปส่งไปงั้นเาผมเองนี่มันมันมีสอย่างนี้ไผมไม่ไม่เคยถุกไฟอย่างของผมไงมีสก็เหมือนกันยอย่างนี้ก็เหมือนกันมันมีสยมันจริงเมื่อเมื่อยกลางมันก็มีทางเดินอ่างนเช่นอย่างทุวันน้ก็รากจิ้งเรียนเชียแ์ราข้างนอกสองข้างนี้ก็รากอะไรสีขาวไปจริง เป็นทางบปทางเขาเดินไปกลางกลางกลางกมือมันก็เห็นสองอันขาวๆมันก็เดินไปกลางกลางเไงแง่สบายสบายเราไม่เคยสุบไฟนะกันยังไลบ้างมันก็เป็นกับมนิสัยก็สมแล้วเขาเห็นผมคือว่าไปจากคนเดียวเป็นอย่างไรเงอืยอม่งอยู่ร้งผือนนี่ใครจะไปเห็นผมเดินโยกมไือง่ายๆนะือแฮึไม่ได้เดินยกมือให้ใครเห็นง่ายๆนะ มันเป็นนิสัยอะไรแเราพูดเทน้นเราเปิดออกมาก็คือว่าถ้าใครไปเห็นแล้วมันมันเสียความขังว่างเงินนะถ้าเราซัดแต่เราคนเดียวไม่มีใครเห็นนี่โอ้ยฟาดเมื่ อ, อไหรก็ได้แน่เป็นอย่างนั้นนะนิสัยเป็นอย่างนั้นแ่ะเพราะฉะนั้นจึงชอบไปแต่คนเดียวมีเพื่อนมีฝงไปนี่ไม่ค่อ ย, ยนะหลายก็ออกจากที่ยากกไปด้วยกันนะไปแลหนึ่งแล้วก็แยกกันไปเลย เดิ่คนเดียวเนี่ยอย่างนั้นล่ะ mm hmm. เดินจงกรมมีเวลาไหนเวลานะี่ยได้ทั้งนั้นคนเดียวแล้วคนอื่นเห็นใครๆไม่เห็นเดินจงกมรู้สึกมันมันมันมีอะไรอยู่ในใจนะฟูยากๆบอกได้แต่แสดงว่ามันไม่ขังแต่เราไม่ได้ตั้งหน้าความขังนะมันลักษณะเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามีใครเห็นเราทําความเพียรแล้วมันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นจึงไม่ใครเห็นง่าย อยู่บนพืเวลาเกี่ยวข้าวมัวนพุ่นนุ่มเข้าไปอยู่ในป่าลึกๆมไม่ใครเห็นนะเดินอยกรมในป่าลึกๆน้องพื้นแต่ก่อนั้งดงทั้งหมดนต์นั้นๆที่มันกว้างขวางว่างาป่าเป็นรั่วเป็นสวนนีน้แต่ก่อนเป็นดงทั้งหมดเลยทางโยกกรมหลงพระมีอยู่ชั่วไว้นั่นเดนินอย่างนั้นเวลามากุติแล้วกลางคืนก็หมู่เพื่อนเดินโยมนีมม่ไม่ออกนะ นั่งภาวนาจะตอนหูวเพื่อนเดินทีนี้พอสามทุ่มย่งไปแล้วมองดูใครไม่มีฟืนไฟไล้ล น, ะลน ม, มีเราลงนะเอาละทีนี้ไม่จุดไฟเดินคนเดียววาดกี่ชั่วโมงมับของมันอยู่นั่นและแล้วถ้าจะ ถ, ถ, ถ้ามองเห็นไฟแวบๆบจากนั้นนี่แล้วบุ๊บวะหนีเลยนะไม่เห็นก็ใครจะไม่รู้ละทางกลมไปยังไงถ้าว่าเป็นเหวก็เป็นเหว เดินางครมดินนั่นเดียวมันก็นเลื่อมปับปับปั บ, ป บ, ปบเดินอย่างกมเขาไม่เห็ น, นกับต่อหน้าต่อตาเอาเอาเวลาเดินอย่งกมก็ไม่เห็นเท่านั้นก็เอาละอ่ะฮะดีเป็น ด, ดีพระเดินองเซเซ่อเซ่อกาตาชิตน่ะหลวงเออหลวงตางนี่หรือว่าอาจารย์นี่ทำไมไม่เห็นเดินอย่างผกรมสีหน้าจุ๋มว่า้าไม่เห็นเราทําความเพียรเดินอย่างกรม น, นะน อย่างนี้ก็คิดได้อยู่นะเพราะเราไม่เห็น ง, ง่ายๆแต่ถ้าดูกิจยาท่าทางมันก็สงสัยอนนี้ไม่ได้ละไม่สงสัยเพราะกิจยาท่าทางผมพูดจริงช่อง ต, ตัวตลอดกับเพื่อนกับฝูงนยิ่งดูแลเพื่อนฝูงเพื่อพราะแม่ครูอาจารย์เอิเ่มเรียนเป็นสุขท่านแล้วผมจึงต้องสอบต้องสอนตลอดเวลาพระจริงกลัวมากมาทนายอะไรนะครับผมไม่มีใครมาทะลึ่งได้เลย เอาจริงจังมากเนี่ยการบิรยายของเราไม่มีที่ตาหนินี่วะฮะมาตาหนิเราที่ตรงไหนได้วะอืเอาจริงจังมากดูพระดูเดนรพระเนรเห็นเนี่โอยหลบเหมือนเหมือนกระตา่ายหลบหมาหลบเราเอาจริ่งอ่ะเ<ะ>พราะฉะนั้นเวลาผมเวลาท่านไปเที่ยวดัดูที่อาศัยท่านท่านไม่อยากให้ไปผมก็รู้อยู่ เพราะเวลาผมอยู่พ้านเนียเป็น ไ, ไรท่านก็ทราบเวลาผมบอกไปแล้วมันจะมีเต่งๆก้างให้ท่านเห็นนั่นแหละนี่ท่านก็ทราบห้านท่านเพิ่งไม่อยากให้ไปแต่ก็เห็นเรื่องใหญ่ของผมคือการภาวนาท่านก็จําต้องเอารวมไปเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหมู่เพื่อนเป็นเรื่องใหญ่เ น, นี่ท่านคิดหมดแล้วการปฏิบตัติต่อครูบาอาจารย์เราคอยแนะคอยบอกหมู่เพื่อนตลอาเวลานี่แหละ นี่เกี่ยวกัเราเคยเป็นผู้น้อยมายังบอกแล้วอย่างนี้นะ่ะผู้น้อยมันน้อยผู้ใหญ่คือคอะ้รคือจอมปราดซะด้วยอย่างนวะเนื อ, อของเล่นมาไหไเป็นจอมปราดทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยมันใช่ของเล็กน้อยเงีมันไปทำอะไรเล่นได้หรือขอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจอมปราดตลาดแหลมผมเขาจะไปเอิญมาแมบบ่แม่ไม่เห็นหมดลูกเงนมุม ง, งานปุ่มเตี้ยมกับท่านได้เลย ท, ที่เวลามาอยู่กับหมู่เพื่อนผมจึงไม่อยากให้หมู่เพื่อนไปเกี่ยวข้องกับผมใครไปเกี่ยวข้องมันจะขวางกันทีนะนอกจากไม่พูดอืเทียนยางเอาน้ําไปให้ที่ที่ทางโยกรมกวันกันอืมใครเอาไปก็อ่านคนนั้นแหละเนี่ยเรื่องอะไรไปเกี่ยวข้องกับเรามันอ่านของมันโดยหลักธรรมชาตินอกจากไม่พูดเฉยเฉยมันรุนห้า มม้หรือฉลาดขนาดไหนและความเพียรภายในใจเผากับภายนอกมันวิ่งเข้าถึงกันด้วยกันมันจะบอกในตัวนั่นอ๋ออันนี้จะเลิกกันเลิก ก, เลกกันได้แล้วนะมีเท่านั้นและเอากาบจ้ะ